21 ปวรณาเพศว่าด้วยประเภทแห่งวันปวรณาเรื่องวันปวรณามี 2 วัน คือวัน 14 ค่ำนั้นภิกษุทั้ง การทํามี 4 อย่างคือ 1 การทําปวารณาแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรม <nett> 2 การทํา 3 การ 4 การทําปวารณาพร้อมเพรียงกันโดยชอบธรรม การทำปวารณาเช่นนั้นไม่พึงทำใดพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมการทำปวารณา การทําปวรณาใดพร้อมเพรียงกันโดยชอบธรรมการทําปวรณาเช่นนั้นพึงปวรณาเช่นนั้นภิกษุ ว่าด้วยทรงอนุญาตให้ฤรรม папพิ κ ฤุ Someor มอวรนาเรื่องฤรรคฤุค้ายมอปวรนาครั้งหนันพระผู้มีประ confianceรับ ขฤรรกฤรพฤั運 ồi ทัวรนาฤรรพิ դ ัการวรเดอค modulation รชมกันข aupt imore วรนาเมื่อพระองต pinky ตรัษอย่างนี้ฤรรพ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รูปหนึ่งโหมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือกล่าว จงปวารณาของข้าพเจ้าจงปวารณาแทนข้าพเจ้าภิกษุผู้มอบปวารณา ถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ภิกษุทั้งหลายพึงใช้เตียงหรือตั่งหามภิกษุไข้มาในถ้ำ สงฆ์พึงไปปวารณาในสำนักภิกษุค่ายนั้นแต่สงฆ์ไม่พึงแบ่งพวกกันทำถ้าแบ่งพวกปวารณาถ้าภิกษุค่ายได้ผู้นำปวารณาหลบไปเสียจากแก่ภิกษุรูปอื่น ภิกษุผู้นามปวรนาศึกเสียณที่นั้นแหละมรณภาพ ปตินยาเป็นผู้ถูกสงฆ์ลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติปตินยามารดาปตินยาบิดาปตินยาเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ปตินยา ปตินยาเป็นผู้ทำลายสงฆ์ปตินยาเป็นผู้ทำร้ายพระศาสดาจนฮ่อพระโลหิกปตินยา ถ้าภิกษุผู้นำปวารณาศึกเสียในระหว่างทางละถึงปติญญาเป็น ภิกษุผู้นำปวารณาเข้าที่ประชุมสงฆ์แล้วศึกเสียละถึงปติญญาเป็นอุปโตพยัญชนะกปวารณาเป็นอนันมาแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุใครได้มอบปวารณาแล้วถ้าภิกษุผู้นำปวารณาเข้า เมื่อภิกษุใครได้มอบปวารณาแล้วถ้าภิกษุผู้นำ ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายเมื่อภิกษุใครได้มอบปวารณาแล้วถ้าเมื่อ ยถากาธิคหณกถาว่าด้วยหมู่หญ้าเป็นต้นจับภิกษุเรื่องภิกษุถูกพวกหญ้า หมู่ญาติจะภิกษุไว้ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวกับถ้าได้รอณที่อันควรสักครู่จนกว่า ถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าว พระราชาทั้งหลายทรงจับภิกษุไว้พวกโจรจับไว้พวกนักเลง พึงกล่าวกับพวก ถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้า 124 สังฆปวารณาธิประเภทว่าด้วยประเภทปวารณามี 5 รูปปวารณาเป็นการสงฆ์ มีภิกษุอยู่ด้วยกัน 5 รูปภิกษุเหล่านั้นมีการให้ทรงทราบพระผู้มี 5 รูปปวารณา เรื่องภิกษุ 4 รูปปวารณาเป็นการคณะสมัย 4 รูปภิกษุเหล่านั้น 5 รูปปวารณาเป็น 4 รูปจะพึง พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุ เราทั้งหลายพึงปวารณาต่อกันภิกษุผู้เถระพึงห่มอุตรา ว่ากล่าวผมเมื่อผมทราบจัก 2 ผมขอปวรณาต่อท่านทั้งผมเมื่อผมทราบจักได้ 3 ผม ด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดียินก็ดีโดยนึกสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายได้ช่วย กระผมขอปวรณาต่อท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ <ten> ขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผม สมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้น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 เมื่อผมทราบจักได้แก้ 2 ผมขอปวารณา 3 ผมขอปวารณาต่อท่านทั้ง ด้วยนึกสงสัยก็ดีนึกสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนผมเมื่อ ด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดียินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่าน 2 กระผมขอปวรณาต่อท่าน ท่านผู้เจริญทั้งหลายแม้ครั้งที่สามเจริญทั้งหลายแม้ครั้งที่ 3 กระผมขอปวารณาต่อท่านทั้ง ภิกษุเหล่านั้นได้มีการสนทนากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระ เราอนุญาตให้ 2 รูปปวารณาต่อกัน 2 รูปนั้นพึงปวารณาอย่างนี้ภิกษุผู้เถระพึงห่มอุตราสงฉเวียงบ่าข้างหนึ่ง ด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนผมเมื่อผมทราบจักได้ ด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ ด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านได้ช่วยอนุเคราะห์ท่านผู้เจริญแม้ครั้งที่ 2 กระผมขอ กระผมขอปวารณาต่อท่านด้วยได้เห็นก็ดีด้วย พระ 5 huh. รูปปวารณาเป็น 4 รูปปวารณาต่อ 3 รูปปวารณาต่อ 2 รูปปวารณาต่อกันก็เราอยู่เพียงรูปเดียวจะ ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถ้าไม่อธิษฐานต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายในอีก 4 รูปปวารณาเป็นการสงฆ์ถ้ารูปไม่พึงนำปวารณา ภิกษุทั้งหลายในอาวาสที่มีภิกษุอยู่ 3 รูป e. 125 อาปัตติปติกรรมวิธีว่าด้วยวิธีแก้ไขอาบัติเรื่องภิกษุต้องอาบัติในวัน ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล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 นั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า 126 อาปัตติอวิกรณวิธีว่า สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกําลังปวารณาระลึกอาบัติได้ภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มี ในกรณีนี้เมื่อภิกษุกําลังปวารณาระลึกอาบัติได้ภิกษุนั้นพึงบอกภิกษุใกล้เคียงอย่างนี้ว่าผมต้อง เมื่อภิกษุกําลังปวารณามีความไม่แน่ใจในอาบัดภิกษุนั้นพึงบอกภิกษุใกล้เคียงอย่างนี้ว่าผมมีความ ว่าด้วยวิธีแก้ไขสภาคาบัตเรื่องสงฆ์ทั้งหมดต้อง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 ท่านจงไปทําคืนอาบัตินั้นมาเถิดพวกเราจักทําคืนอาบัตินั้นในสํานักของ ก็จักทําเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยอาบัตินั้นในสํานักของ ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ทรงว่ายัตติกัมวาจาท่านผู้เจริญขอทรงทรงฟังข้าพเจ้าสงฆ์ทั้งหมดนี้มี 128 อนาปัตติปันนระสกะว่าด้วยการปวารณาโดยไม่ 15 กรณีสมัยนั้นใน 5 รูปบ้างเกิน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 มีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมีความสําคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินัยยังแบ่งพวกกันอยู่แต่สําคัญว่าเป็นผู้พร้อมเพรียงปวารณาเมื่อภิกษุเหล่านั้น มีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นเพิ่งปวารณาใหม่ผู้ภิกษุที่ ภิกษุเหล่านั้นมีความสําคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินัยปวารณาเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังปวารณา ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายอนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งนั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูป เมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังปวารณาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ใน แต่ประชุมกัน 5 รูปบ้างเกลิงกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ปวารณาพอ ภิกษุเหล่านั้นผึ่งปวารณาใหม่ผู้ภิกษุที่ปวารณาแล้วไม่ต้องอาบัติภิกษุทั้งหลาย เป็นอันปวารณาดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลัง พวกภิกษุที่ปวารณาแล้วเป็นอันปวารณาดีแล้วในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวก ยังมีภิกษุที่อยู่ในอารามพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่ภิกษุเหล่านั้นมี ภิกษุที่นั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปที่อยู่ในอาวาสพวก ผู้ภิกษุที่ปวารณาแล้วไม่ต้องอาบัติภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งใน โกภิกษุที่ แต่สําคัญว่าเป็นผู้พร้อมเพรียงปวารณาพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จบริษัทลุกขึ้นบาง มีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปขณะพวกเอ๋ยนมาถึงพวกภิกษุที่ปวารณาแล้วเป็นอันปวารณาดีแล้วที่มาทีหลังพึงปวารณาในสํานัก มีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปขณะนั้นภิกษุที่ มีแต่ประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างอยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกัน 5 รูปบ้างเกินกว่าบ้าง ภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่า เป็นอันปวารณาดีแล้วที่มาทีหลังพึงปวารณาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นผู้ภิกษุที่ปวารณาแล้วไม่ต้อง เป็นอันปวารณาดีแล้วที่มาจบ 129 วัคควรรคสัญญิ 15 กรณีภิกษุทั้งหลาย ในวันปวารณาเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่าภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ ภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาแล้วต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ใน เป็นอันปวารณาดีแล้วภิกษุที่เหลือพึงปวารณาพวกภิกษุที่ปวารณาแล้วต้อง เป็นอันปวารณาดีแล้วภิกษุที่เหลือพึงปวารณาพวกภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องอาบัติทุก 5 รูปบ้างเกินกว่า ภิกษุเหล่านั้นมีความสําคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินัยยังแบ่งพวกกันอยู่ ภิกษุที่อยู่ในอารามพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่า ในวันปวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลาย 5 รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้พอ ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่า ที่มาที่หลังพึงปวารณาในสำนักของภิกษุเหล่านั้น ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอารามพวกอื่นมาถึงมี ขณะนั้นภิกษุที่อยู่